เราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้ถ้าลำพังเราทำทานถือศีลอะไรอย่างนี้หรือทำสมาธินะาศาสนาอื่นเขาก็มีอย่างมุสลิมเนี่ยถึงปีเขาต้องจ่ายเงินนะเลขสากาดจ่ายสกาดให้เอาไปช่วยสังคมเฉะลี่ยหรือการทำสมาธิเขาก็ทำนะอย่างการทำละหมาดวลหาหะ5ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำสมาธิ น, นั่นเอง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 นี่เป็นผลของการศึกษาการปฏิบัติธรรมยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติถูกต้องมากเข้ามากเข้าเนี้ต่อไปนะจิตใจยิ่งเป็นอิสระถึงอยู่สุดท้ายอิสระจริงๆจิตใจเป็นอิสระนะไม่เราไม่ไปหยิบสวยจิตขึ้นมาให้เป็นภาระกดท่วงตัวเองมันเป็นความสุขซึ่งชาวโลกนึกไม่ถึงนี่เราจะเคารบเราจะรักพระพุทธเจ้าสู่หัวใจเลยถ้าเราปฏิบัติธรรมจนเราเห็นผลแล้วเนี้ยนะ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 จิตใจจะหนักๆนกนกแน่นๆแข็งๆขึ้นมาเลยทื่อๆนะแข็งขึ้นมาหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้มีแต่ความอึดอัดนะแล้วจงใจปฏิบัติเมื่อไหร่อึดอัดเมื่อนั้นเลยจงใจไปรู้ลมหายใจก็อึดอัดจงใจไปรู้ท้องผองยุบก็อึดอัดนาะยกเท้ายั่งเท้าแล้วจงใจไปรู้อยู่ที่เท้าก็อึดอัดอีกทําอะไรอะไรมันก็อึดอัดไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตมันไปติดคุก ค, นะคนติดคุกมันมีความอึดอัดนะแต่หลวงพ่อไม่เคยติดนะนี่เดาๆเอานะ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 เราจะเห็น Wells ร่างกายมันพองร่างกายมันยุบนะรูปมันพองรูปมันยุบใจอยู่ต่างหากใจเป็นแค่คนดูเหมือนะนะเราดูตัวเองเมื่เราดูตัวเองเห็นร่างกายมันขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวนะเหมือนกันหมดนะจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรอย่างใช้อิริยาบทสนะีนี่เราก็เห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนอ น, นถ้าทาสัมปชัญญะบับเร่างกายมันคูร่างกายมันเหยียดมันเดียวซ้ายแลกวาแล้วเราก็รู้สึก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 จิตใจจะปรุงดีหรือปรุงชั่วจิตใจจะปรุงสุขหรือปรุงทุกขจิตใจจะปรุงกุศลอกุศลอะไรนี่เลือกไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนี่เรียกว่าเราเห็นความจริงของมันมีสติระลึกลงไปในรูปในนามด้วยใจิตใจที่ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่มีตัวเราพวกเราลอ ง, ลอ ง, ล, องลองทดสอบนะเอาแขนของตัวเองมาแล้รูปแขนตัวเองนะลองสัมผัส ด, ดูอย่าไปรูปคนอื่นนะรูปตัวเอง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 นี่สติปัฏฐานนี่น่ยทางสายเดียวทางสายเอกทางสายเดียวที่จะทําให้เราเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงได้เราเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงได้เพราะเราหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจเราหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจได้เพราะเรามีปัญญานะเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนนะัตตาเรามีปัญญาเห็นกายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เพราะเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงนะ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 ต้องใจเย็นย็นะถ้าเราแกะไปจนสวยนะแล้วใจร้อนแวบเดียวพระพุทธรูปจะมูกแหว่งเนียหมดราคาเลยใช่ไหมใจเย็นเย็นเพราะงั้นภาวนาไม่ต้องรีบร้อนนะเวลาเราสะสมกิเลสเรายังไม่รีบร้อนเลยนะเวลาภาวนาจะรีบร้อนอะไรนักหนานะ <c ười> ค่อยรู้ค่อยดูไปนะดีแล้วอ่ากลับกรรมนวัสการพระอาจารย์นะครับอ่ากระผมได้ปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ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 คือใจเราไม่สักว่ารู้สักว่าดูใจเราไปเกลียดความโกรธเนี่ยความโกรธจะไม่หายหรอกเพราะใจเรามีกิเลสใจเราไม่ได้มีสติะงั้นเวลาที่เราภาวนาเนี่ยถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยอากุศลจะดับทันทีนแต่วิบากไม่ดับนะวิบากก็จะให้ผลอีกช่วงหนึ่งเช่นถ้าเราไปโกรธใครมาเนี่ยถึงความโกรธดับไปแล้วนะใจเราจะหมองมองมัวมั ว, มวแข็งแข็งแน่นๆน่นีกช่วงหนึ่งอันนี้เป็นวิบากอันนี้ต้องรับชะตา ก, กรรมนะ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 ไ, ไม่รู้สึกอะไรหมายถึงยังไงคือไม่แน่ใจว่ามันรู้สึกเฉยะะเฉยนะครับอเฉยเก็คือความรู้สึกเฉยเยนะเฉยเฉก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งนะแต่ก็รู้ว่าเฉยเฉยคือปกติเนี่ยพอจิตเป็นกุศลขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตจะมี2 อ, อันอันนึงมีความสุขอันนึงเฉยเฉยแต่ไม่ใช่เฉยแบบแห้งแล้งนะไม่ใช่เฉยแบบด้านด้านซึมซึมทื่อๆนะอันนั้นเป็นอกุศลตัวใหม่เป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะ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 ขออนุญาตกับเรียนถามวิธีการการรักษาตัวมัชชีมาปฏิปทาครับผมอก็อยากรู้จักมัชชีมาปฏิปทาทางสายกลางใช่ไหมจะวิธีการรักษาครับผมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวหลวงอขอแปลนหน่อยมัชชีมาปฏิปทาของคุณหมายถึงอะไรก็คือผมเองเคยไปฟังทำครูบาอาจารย์ท่านแล้วก็ท่าน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 ส, สองคำถามแต่อสองคำถามฮะเมื่อกี้คำถามแรกก็ผมเข้าใจฮะแต่นี้จะจะลงให้ลึกนิดหนึ่งในคำถามแรกนะถามว่าปกติจิตขอผมเนี่ยสงบพอสมควรนี้ที่กาบนักการถามหลวงพ่อ น, นั้นว่าจําเป็นหรือไม่ในเมื่อเราสงบแล้วเราจะพิจารณาเลยหรือจําเป็นต้องเข้าสมาธิให้เรียบร้อยอถ้าจิตอยู่ตรงนี้นะพิจารณาได้เลย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 ยิงเห็นกิเลสทันทีที่สติระลึกรู้เนี่ยกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้นะกิเลสเราเกิดทั้งวันนะ่ะจะอยากดูหรือไม่อยากดูก็ตามนะกิเลสเกิดทั้งวันแต่พอเรามีสติระลึกปั๊บเนี่ยกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้กิเลสมีหน้าที่รักษาจิตปุ้มครองจิตนะเสร็จแล้วมันจะเห็นเลยกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตต่อไปก็เห็นอีก <S <S กิเลสไม่ใช่ตัวเรานะ <S <S จิตก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีสุดท้ายก็ลงไปเหลือแต่สภาวะธรรมล้วนๆเลย รู้ประทมามนามธรรมไม่มีเราแต่ตอนนี้มันเพ่งเยอะไปใช่ค่ะ เ, เพ่งเพ่งลมหายใจ เ, เพ่งเพื่ออะไรหลวงพ่อเริ่มถามตามหลักของสัมปชัญญะแลรู้นั้นว่าเพ่งลมหายใจ <c oughs> เพ่งเพื่ออะไรเพราะบางบางครั้งแบบมันมีที่ยึดอ่าสติอะไรตรงนี้นยึดเพื่ออะไรอ่ะอยากให้สติเกิดระับใดที่อยากให้สติเกิดเนี่ยความอยากยังดำรงอยู่สติจะไม่เกิด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 แก่แล้วไม่ร้ายอ่ะค่อยฝึกไปขระบนัมัสการพระอาจารย์จ้าค่ะออยอมได้ฟังซีดีของพระอาจารย์แล้วก็ได้ลองปฏิบัติดูค่ะก็ะวันหนึ่งก็มีการระลึกรู้นานหลายครั้งพอสมควรโดยเฉพาะโกรธ ด, ดีใจเสียใจแต่ว่าบางครั้งมันเกิดขึ้นโดยพอระลึกรู้ปุ๊บไม่ทราบ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 เป็นพระอาหารหันต์แล้วหลังจากที่าตายไปนะฮะจะจะดับไปเลยไม่มีเกิดไม่มีอะไรอีกคราวนีเ้เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บรรยายนี้ก็เลยเลยสงสัย อ, อยากจะจับ ต, ต้องแยกสภาวธรรมออกนะประมัต ธ, ธรรมสี่อันนะใช่ไหมจิตเจตสิกรูปนิพานนต่างก็เป็นปรมัต ธ, ธรรมต่างหากนะจิตเจตสิกรูปนะเกิดดับไปเรื่อยนิพานไม่ได้เกิดได้ดับนิพานไม่เคยหายไปไหนนะ ที่เกิดที่ดับมันคือรูปนามต่างนากั่นะนิพพานไม่ได้หายไปไหนนะมันคนละสภาวะกันจิตไม่ใช่นิพพานนะคุณเรียนอภิธรรมป่ะไม่ได้เรียนครับแต่ว่า เ, าเพียงแต่เคยศึกษาธรรมะแบบไม่มีไม่มีรูปแบบนะฮะคือฟังธรรมะหรืออ่านซือไปคือจริงๆแล้วสภาวะธรรมเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสังคตตาธรรมธรรมฝ่ายปรุงแต่ง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 คนที่ถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เรียกว่าพระโสดาบันฉนะนั้นภาวนาต้องเอาให้ตรงเป้านะอย่าอ้ม อ, อมอมหลายคนภาวนาแล้วบอกทาาําอะไรปีแต่มันอ้อมไปเรื่อยๆทําไมไม่ดูลงมาในกายดูลงมาในใจจนเห็นว่าไม่มีตัวเรานะพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเรานะพระอระหันต์นั้หมดความยึดถือในกายในใจนั้นเรียนรู้ลงในกายในใจนี่รู้ลงไปเรื่อยๆกลันะบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ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 ไปปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะนะนิมนต์ปลามาสวดสวดเป็นแหลไหครูสั่งให้สวดก็สวดนะ่ะแต่เราก็เป็นพุทธมามะกะแบบของเราเนาะแต่ถ้าเรา่ารักษาศีลห้าไว้ได้และกุศลและกรรมบทสิบและมรรคแปดให้ได้เนี่ยจะดีที่สุดใช่ไหมเจ้าคะสำหรับคราวาดคือมันมีเยอะใช่ไหมคุณธรรมฝ่ายดีคุณฝึกสติไว้ ถ้าคุณมีสตินะคุณก็มีกุศลกรรมบทมีศีล น, น ะ, จะเจริญมากจเจริญโพชฌงนะอินทรีก็จเจริญ น, นะทำมาฝ่ายดีมันจ ะ, จะเจริญได้ถ้าขาดสติตัวเดียวนี่สิ่งเหล่านี้ไม่มีหรอกงั้นต้องเรียนนะเรียนเรื่องสติค่ะต้องปฏิบัติสมถภาวนาและเอ่อให้ได้วิปัสสนาภาวนาและรักษาสิ่ น, นั้นไวให้ได้ใช่ไหมจ๊ค่ะต้องรักษาศีล น, นะเกการปฏิบัติเนี่ยค่ะ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 <laughs> มันมาโกรธกันต่อเนะี่ยพิจารณาความตายก็ได้นะมันก็จะไม่ค่อยโกรธแต่ถ้าดีที่สุดเลยถ้าทำได้นะก็ดูลงไปใจที่โกรธเนะี่ยใช่มมันโกรธเพราะว่าเราไปคิดว่าเขามารังแกเรามาว่าเรามันมีเรามารองรับนะเราคิดว่าทำไมเราจะต้องไปอาภัยมันนะหรือทําทำไมต้องมาทำกับเราอย่างนี้รู้สึกไหมมันมีคำว่าเราอยู่คำว่าเราตัวใหญ่เบ้อเร้อเลยนะยิ่งมีเรามากนะก็ยิง่งมีเป้ารับหมัดของคนอื่นนะนะ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 ถ้ายกตัวอย่างที่ปลอดภัยกับพระก็กต้องยกตัวอย่างตามคำพีใช่ไหมอย่าง <laughs> เรื่องพระนรนีน้นะพระนานเคยทำบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้รูปหลอ่อ <laughs> เกิดมาอีชาติหนึ่งรูปหลอ่อเฟี้ยวเลยเลยไปเป็นชูกับเา้าตกนรกอยู่นานพ้นจากนรกนะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวเป็นวัวรูปหลอ่อนี่ตอนไม่ได้บอกนะว่าเป็นผีนรกรูปหล่อหรือเปล่านะ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 เพงั้นพวกเราอย่าทิ้งโอกาสที่ดีไปรีบศึกษากายศึกษาใจตัวเองไว้ถ้าพลาดจากตรงเนี้เมื่อไหร่จะเจออีกไม่รู้นะเมื่อไหรจะเจออีกก็ไม่รู้บางคนหวังจะเจอพระศรีอาร์วัวแต่เข้าสมาธินู่นพระศรีอาน์ิพานเป็นหลายกลับแล้ว ย, ยังไม่รู้เรื่องเลยนะหรือมวัวแต่เป็นเทวดาเพลิดเพลินไปนะพอพระศรีอานมานะก็เฮกันมาฟังธรรมะนะฟังเสร็จแล้วกลับไปเต้นระบำต่อนะนิสัยอย่างนี้ก็เยอะนะอ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 ไม่ค่อยไม่ค่อยถนดัดแล้วก็ไม่ค่อยเป็นจิตไม่ค่อยสงบองะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้ใช้คําบริกรรมเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าคื อ, งองถ้าสต<ถ>ิเกิดได้จิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิได้มีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้ก็ใช้ได้ลนะคาบริกรรมจะมีหรือไม่มีมันเป็นอุบายนะเป็นอุบายเป็นกลยุทธ์หรือแทคนิ ก, กในการปฏิบัติของแต่ละคน นะบางท่านภาวนาบริกรรมนะพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยนะบริกรรมช่วงหนึ่งพุทโธก็หายไปจิตสงบนะอย่างนี้สมถานะนะบางท่านพัฒนาขึ้นไปอีกท่านบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วท่านรู้ทันจิตของท่านไปเรื่อยตลอดสายของการปฏิบัติเลยไม่ได้ทิ้งทําบริกรรมเลยอย่างนี้ก็มีนะนะมีครูบาอาจารย์อยู่องค์หนึ่งท่านเล่นอย่างนี้เลยบางคนไม่ได้บริกรรมเลยตั้งแต่ต้นจนจบทางใครทางมันถ้าทําแล้วสติเกิดจิตตั้งมัน่น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 พอพรรษาที่3ท่านสอนใหม่มีสติไว้ข้อวัดทั้งหลายสําคัญนะถึงเวลาต้องไปทําข้อวัดของพระไปบินทบาตไปกวาดวัดไปทําอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่บอกเหตุผลหอรอกจะสั่งอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์จริงๆนะในสายครูบาอาจารย์วัดป่าจริงๆท่าไม่สอนเยอะหรอกท่านสอนเรานิดๆหน่อยๆแล้วให้เราไปรูปๆคลำๆเป็นปีๆเลยกว่าจะเข้าใจบางงานตั้งหลายปีนะกว่าจะเข้าใจบางเรื่อง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 พรงั้นงานหลักของเราจริงๆก็คือรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละไม่ใช่ไปเพ่งเขาไปบังคับเขาไปแก้ไขเขาพยายามรู้เขาอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเล่นๆการรู้ก็ต้องตามรู้ถ้าถึงใช้คําว่าอนุปัสสนากายอนุปัสสนาการตามรู้กายเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนานะจิตตานุปัสสนาตามรู้จิตมันเป็นยังไรแล้วรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปแกล้งทำนะอย่าไปแกล้งทํานั้นอนนันนี้ขึ้นมา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 คือคนที่ไม่ชอบทำสมถะนะหลวงพ่อพบอะไรอย่างหนึ่งน ะ, ค, ะคนที่บอกว่าไม่ทาสมถะไม่ชอบสมถะนะแต่ติดเพ่งนี่เยอะมากเลยนะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะบอกพวกที่ทำมิปัา ส, สนาล้วนๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเพ่งแต่หนูนี่สังเกตตัวเองว่าหนูไม่เพ่งอะฮะหล อ, อค่ะ เอาด<ร><ง>ูว่าหลวงพ่อสอนว่าเพ่งคือปูมแต่งแล้วผิดให้ดูไปตามธรรมชาตินะเจ้าค่ะแลหนูก็ดูแล้วเห็นอะไรก็บางครั้งเห็นแบบจิตมันไปปุงแต่งคิดอะไรเงค่ะก็รู้ทันเจ้าค่ะอย่างนั้นแหละดูไปนะถ้าเราดูโดยไม่เพ่งนะใจเราจะเบิกบานใจเราจะเ บ, บาใจจะนุ่มนวลใจจะว่องไวถ้าดูแล้วเพ่งนะใจจะหนักหนัก ใจจะแน่นๆใจจะแข็งแข็งใจจะทื่อทื่ะเจ้าค่ะหนูก็ปล่อยไปตามที่เขาจะเป็นค่ะตอนเนี้มันปล่อยหนีไปนอกสารา <c oughs> เลยถึงไหมตอนนี้อยากคุยออต้องรู้สึกอย่างตะกี้นะตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้ <c oughs> หนีิกคิตอีกแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วหลวงพ่อเจ้าคะอย่างนี้หนูจําเป็นต้องไปนั่งสมถะไม่ต้องนะนั่งสมาธิเยอะเกินไปแล้ะค่ะเพราะเพราะหนูสังเกตตัวเองแล้วหนูหนูชอบตามตามดูเจตสิทธ์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 ญาติโยมจะต้องไปงานสงกรานกันนะในสงกรานอย่าลืมมีสตินะตามสติติตอนสงกรานตายเยอะนะเราอย่านึกว่าคนนั้นจะไม่ใช่เราคิดถึงความตายบ่อยๆชีวิตไม่ประมาทตอนนี้ชีวิตนี้ของเรานะเป็นนาทีทองในสังสารวัรนะอย่าประมาทนะตามรู้ตามดูให้มากที่สุดที่จะทำได้ถ้าเข้าใจสิ่งที่โรวงพ่อบอกนะเราจะรักพระพุทธเจ้าแบบยอมตายถาวายชีวิตได้เลย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 มีหลายสิบคนพอน่าเก่งๆเยอะเลยนี่ก็เก่งนั่น